สีอินฟรารักษาใจยาวหน่อยคุณจมาบ้างจ้ะใช่จะมาบ้างจะจเกิดเป็นชื่อเป็นเครื่อ้ท่านไม่ดีหรือคะชื่อเหมือนเดิมเหมือเสร็จเหมือนเดิมแหละใช่แต่โครงการนี่คนอื่นก็ยังไม่รู้เรื่องเลยยังยังไม่ทำยังไม่ทใส่ท่านเราคนอื่นฟังติดเก็ไม่รู้ทาคิดว่าเปิดโครงการคอจะรู้เอง เว<บ>าไปา ต, าตอก่างการที่ท่านเอาเด็กร้อยคนอะไรหรนะคะเรื่อยคนเห็นพระบอกว่ายัองสมัครอยู่ทุกวันในพวกอาจารย์พาเด็กไปเข้าโครงการอยู่เด็กเล็กๆเจ็ดขวบถึงสิบแปดหรือยี่สิบถึงจบเรียนจบหลวงพ่อออกค่าเทอมให้แต่เขาต้องสื้อสินแทุกวันพระตลอดเรียนจบ เพราะวนพระไม่ใช่ทุกวัน <c oughs> นั่นแหละทั้งที่กว่าผู้เจ้าอาศินทํามาสองคนไม่บ่าคนเท่าคนแก่ผมทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะกระทั่ทงยีงานไปทํานะคนทสารตุกวันทําได้ทํานาก็ไม่ได้ทำํำท่านายหลวงทําให้ชวนเข้าวัดผมอยู่เด็กชวนเจกกลองดูนะคิดว่าจะไม่ได้สิสบคน <c oughs> พราหลับด้ะทั้งกีดมาถามข่าววะ หลายกว่าูกคนกนเกิบคนหลพอหลวงู่มาแล้วก็มีคนมันจะมาเพิ่มอีกดืร้อยกว่า้วก็ใครทุกวันต้องอถือสินแบงค์ถืนค์ทุกคนแล้วหลวงพ่อก็จะเสนอจนำเสนออะไรเขาครับก็ทรงทรงค่าทรงค่าเทิมใเขาจวนพ่อจวนแม่เขาถ้าเอาทาภาษาบ้านเรา้จ้างเขาถือสิน ให้คนถือสินร้อยคนถ้าเขาจบมาเป็นครูบาอาจารย์ได้สคน ไ, ได้สอนคนต่อไปเราจะเน้นหนักครับทาบุญไม่ไม่สอนคนในทําทานเยอะคนทำทา น, ค น, ทานคนหลงทําทานทุกวันเนี่ทานของไม่เป็นประโยชน์ด้วยถ้าของเป็นประโยชน์นี่องคูไม่ว่านะไม่ใช่รลวพระเทศนเอานั่นนี่นี่ของเบาใช่ไหมต้อ ง, องของเบาที่ทําบุญอายุงของ เขากลับไม่หมดกลับไปคันรถอีกวานไม่รู้รถแน่นถ้าเข้ากรุงเทพหลวงปู่ยอมเราบอกจะเอาของมาพระลำบากมาทำบาปไม่ใช่ทำบุญใช่ก็ไปทาบุญต่อแต่คนนอื่นเขาก็บว่าอีกเหมือนกันของพระเอาทาไมเขาบอว่าอีกพระช่เวลาท่านอภัยทาบุญต่ออะแจกต่อ คนที่รับแย่ก็โดยว่าว่าของทัไปรับมาทําไมนั่นแหละมีปัญหาถ้าตามใจของญาติโยมมีศรัทธาก็เอาไปแย่ต่อไปไปถ้าคนสารคนเข้าคนแย่คถือมากนะก็ฟังวัดเดือบางคนไม่กินไม่ทานเข้าในวัดด้วยต้องแบ่งเอาไว้ของต้มเองจะไปกินห่อห่อนันน้อ ย, ยใส่ไว้ทำกินเข้าเพราะว่าเขาถือว่าของไในจะนําออกของนอกจะนําเข้า ของไหนเข้าเข้าวัดเหรอจะนําออกไปของโลกโลกจะนํานเข้าวัดลักโลกโกรธหลงเล่าจุลาหน้ารีต่างๆอยากนาเข้าวัด <c oughs> ของในจะนําเข้าของของขอ ง, ของนอกจะนําเข้าของในจะนาําออกของเข้าในวัดแล้วโบราณไม่ให้ออกไปถ้าเราไม่เกตนาไม่ดีก็ มันเกิเป็นสิ่งอย่างปลูกต้นไม้บาอาจารย์ก็ไม่ให้ปลู ก, กว่าเป็นของสงฆ์เป็นสาสนะถ้าบวกเป็นของสงฆ์นกไ้กินนกก็เป็นบางมันเป็นของสงฆ์อันสาคัญมากมนะีคนส่อมากไม่สนใจหรอกไปส้างรังพกละแพร่นไปแพร่ี่อะไรตรงนู้นตรงนี้นนนเห็นพวกใเเ น, นแพรอ้แพร่ไป ท, ที่อะไรไปสร้างรังหั้าวายพระสง ยังไม่เข้ามคืนหมดแล้วยังไม่ถึงพระเห็นไหมะถ้าละเอีดเข้าไปละยเยี่ยงก็ไปกือเไม่เกิ น, นาไปถต่ไหาพระสงฆ์นะเพเปนขอูใครไปชวนไปส่างลงทานทิ้มนที่นี่นองปู่ปฏิเสธลุงทานทำอะไรขาวลุงทานตะบนลุงพ่าวรงทานทวาบ า, าตบปตะาบาุนที่ไหนก็ต้องทำมงคล พระใเข้าไปก็ไม่ได้ลถเข้าไปไม่ได้นี่แต่งทานะกอ่านอยู่อ็สรอยปีลงพไปสรอยกว่าลงคนย่างกนคิวเยย่างสราย่างสร้างรงทางนะนกได้ดี่นี่พระเข้าก็บํำปางเลยดนแน่นดที่นี่ีนเวลาพวกบทคีพามที่ไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่ไม่ลเอยเท่าไหร่เวหิวหน่อยิ่งปหมกะมันมันปนสมองเลยทำไมย่างปลามึก กต็ตัวเทศเพแยสมทบนไปเราไปวนลงไ่ลงกินเพิ่งปลามึกผ่กมาเทศแล้วผ่ามาไปผ่านลับสินเม่สนใจแล้ว น, นี่มาต้อง ท, ทำท่าใจไปตรวจครบอาจารย์บางคนบางคนทำมาสนใจตรวจอยู่บางคนแต่บางคนนั่นสาเหตุเดียวคือเราไปทำนั่นแหละถ้าไม่มีเร า, เเาไปทันอะไรลนะ่ะหิวอะไรก็ทนาทนจนะก่อนจะเขาวัดเทศนะแล้วเป็นเค่งต่อแต่วัด สกปรกอีกใช่จะพูดเลยไปทํามากไปแล้วเขาเห็นทุ้ดหยุด ท, ที่ได้หยุดไม่ให้ทําคืองานหนุ่ผู้สีรอกว่ามีแต่ลงทานลงทานบางคนจองไว้ตั้งแต่วันลบปู<ด>่มาแล้วนะวันจากพรทะธาตทานเพิงกินไข่อเอาของมามาแล้วคนอื่งเขามาก็ไม่มีที่วางเขาลุงปู่ไม่มีที่วางของเขาด้านนั้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่มีสร้างตรงไหนไม่มีของเข้าไปได้เข้าไปเลย วันนีคนที่จองไว้ในบุฟเฟ่ตสองคนนั้นมันกน้องท่านเขาคนมาอยู่แล้วเราฟังหลปู่แล้วเือ่คุณคุยมาคุณพดแล้วจองไว้ไม่มาเขาก็อยู่เลยเขาหนักของก็อยากทำทะเลาะกันลงท่านจแล้วนี่ห้องน้าไม่มีนะันัไม่มีห้องน้ำก็เป็นไปทห้องน้าได้อกนไดน้อดีจะมกันทุก ก็ปวดทุกอยู่แต่ว่ามันกินไวมันก็ท้องเสียหงน้าไม่มีแตน้าัไปไหนน้มีแล้วก็ย้อหงห้องน้าจกเห็นไหมล่ะมันมีคนคัค้มสะอาดหลงปู่คนที่พูดไม่ใช่คนหรือก็ถึงบอกไปทำความสะอาดซ่วมะยังได้บุญปที่จะไปเอาเงินไปถวายก็ตามซ่วงอัน หลวงปู่ว่าคนที่พูดว่าไม่มีใครไม่มีคนทำสะอาดก็กคนที่พูดไม่ใช่คนหรือรื้อเตือนสติเขาให้เขารู้ว่าเราเป็นคนเหมือนกันล้วก็ทำคนสะอาดได้เหมือนกันแากให้เขาใจทำนองนี้น่าหนัใช่ไหมล่ะอะไรก็หลวงปู่หลวงปู่หมดพ้องน้าถกปกหลวงปู่เองเอาล่เข้องน้ำให้แล้วก็จะไม่แล้วดได้ไหมสเต็นี้ไอ้มันนี่พยขยามช่วนะเวลาเลิกงาน ก็เดของียเกี่ยวกัท่อพลาสติกทอะไรท่ออีซีเมนต์ราคาไม่ใช่เ่ถูกถูกเราจะไม่ปล่อยผมิ้งได้ยังไงเนั้นก็จเป็นต้องไปเจ็บของมันเป็นาะัไงเ้เมเดีียาดจะได้ไปดูวอืต้องโรงแระ รัตต์มีที่เยอะอยู่ร้านก็มีว่านคนเยอะว่างก็มีอยู่ <c oughs> ไม่ทุค น, นยเยอะจีบไปทางไหนแบบคนกินก็เยอะอยู่ด้วยทบอกถ้ารัตต์จองเยอะตันี่เือสะดวกปยัดเพราะอาหารร้านคนละนนะคันหค่เดียวกันคนละคันคนอยู่คนละที่้คนละเทศเลยนนั้นโยใจแต่ดูดูคุแม่ ใช่ไหมตน้นลูกตาวลูกวีงนั่นแหละดูแต่ว่าเราดูอะไรใครทุกวันเลี้ยงใคร ด, ดูคนเดียวดูแบบยะแม่สั่ง ก, กันกับน้องค่ะสติไม่ค่อยดีสมองไม่ดีอ่ะอ่อาใจเบิกค่ะอยาให้สอนหลายอย่างบอกให้ดูลมค่ะพา<ช>ทาให้ดูลมว่า ง, งั้นค่ะค่ะเ้าบอกก็น่าแชอบหน้าเด็กสวยก็บอกให้โทรไปค่ะแต่แข็งแรงเดิน แปดสิบองแล้วค่ะ้าโจ๊กนสองพ่อไปสี่ผัดกันดูคนน้องสาวคนละเดือนเพราะวาจะได้ไม่เครียดทะเลาะกันจนอาบน้าก็ไม่ยอมอาบน้ไม่เช็ตัวค่ะไม่ยอมไม่เช็ดแกอาบเลยช่แกก็ไม่ยอมจะกินทั้งวันเลย่ะ กินทั้งวันต้องห้าวกล้วยที่เป็นวีวีต้องเอาหนีเรืมลื่มไื่มบีมเรื่มไงเรื่มไม่เอกอาบน้ำหนาวเปล่าไม่ไม่หนาวมันแต่แกพเข้าห้องน้ำก็ให้พรได้เงินเป็นล้านเลยแต่ตอนยังไม่อาบเนี่ยมันไม่บอกก่อดาสารพัดเมื่อก่อนแช่ง่าๆตอนนี้ไม่แช่งแล้วแต่พอเข้าห้องน้ำแล้วก็ให้พรไงให้พรเดี๋ยวจะให้มึงล้านหนึ่งคนละล้าน รู <S <s <S <t ell> <t ell> ้เลยนะให้ยุติธรรมเลนะเวลากระทำอืมอืมอืมถามได้แล้วเออเยอะมาถามถาได้ไหมเราก็ถาไม่ได้มีพวกพวกราชินีโอ้ใช่เลี้ยงราชินีราชินี ไม่ีจตามตามเหการหลวงพ่ออยู่ประจาใช่ององนเต้องคอยติดตามข่าวสมัยนี้มันมีช่องทางไหนะต้องดูบางทีรู้ว่าหลวงพ่อจะมาที่นี่พรุ่งนี้ก็ต้องรีบลางานทไปเลยโอกาสนี้ไม่มีเราอยู่ตรงนี้ที่าไกลต้นบอกตอนนี้เป็นที่รุดจัมาก ไปที <decorate> ่รู <c oughs> ้จักมากค่ะเราเราพูดตรงๆคนก็เข้าใจง่ายเพราะก็เลยใช่ที่นี่พระก็ไปสอนอ้อบวอมแต่ตามคำโบราณนิสสังเจ้าทงเมืองทั้งหลายมันสิคำเข้าใจไหมเดินทางโค้งเมื่อไหรมันจะถึงนอกจากกลัวบอกว่ามันติดสาคคำทัาเมื่อแต่ทำทานจนเสียเวลาที่นี่บุญก็ตรงๆทำไมไม่ทาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งนาทีต่อวันหนึ่งให้บุญดูบุญบุญสมบัติของใจ ถ้าใจเห็นบุญใจบุญก็พาไปสวรรค์ น, นิพพานเลยถ้าใจไม่เห็นบุญก็ไปทำทำนะครับเพราะว่าอย่างบุญไอ้ดูบุญแต่ว่าดูยังไงฮะดูบุญเนี่ยดูลงอ๋อดูลงไม่ได้ซื้ถ้าเห็นลมะเห็นไหมล่ะรักก็ไม่มีโลกก็ไม่มีสว่บบ <laughs> บบางถ้านิ่งนานๆจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็ถ้าหากหนึม่มงจะเป็นยังไง หรือหนึ่งวันอย่างนี้จังโดยเฉพาะย่งวันพระอย่างนี้ดเว้นทางการทางกายทางใจเมื่อจะคิดปุงแต่งเรื่องทางโลกแะ ป, ปรุงไปนี้วันพระกันของพระเจา้าตั้งใจเสียสละงานทางโลกจริ ง, งพระเจ้าแบ่งปัน แ, แต่เราแบ่งปันได้เป็ น, นปฏิเสธฉันไม่มีบุญฉันไม่ได้บวชจะ่ไปนั่งรูรมนั่งภาวนาอะไรได้ทําไม ผมตัดที่เสษไปก็จะมาหวงพระจ้าม า, ม, ามันเห็นเราแต่เราไม่เห็นพระจ้ามารพอเข้าตัวนี้รูกลูกพระเจะามารเป็นยังไงทางดัดลูกพระจ้ามารที่กระมือคนเราจะตามใจพระเจ้มารตัวใหญ่ๆสองตัวนะร่ำรวยสวยงามอต่นะางคนบางคนมักจะติดร่ารวยกับสวยงามใจ <laughs> ของคนก็อยู่กับร่ํารวยแต่รวยไม่ได้ทําอะไรหรอกศัลยกรรมคนเด่ง หาเรื่องฟุ่มเฟ่งให้จัดหมดเงนินหมดทองเลยไปเพ่งโทษเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจดีแล้วแต่คนมันใช้ใจ่ายรูหลักฟุ้มเฟือยถ <c oughs> ึงกับไปย้มพระทุกวันนี้แล้วนี่พระของน้ากินไม่เป็นนะของน้าฉันไม่เป็นเพราะค่านิย ม, ยมของโยมผลใส่ ก, กวดไปใ ห, <c oughs> หนนถ้ถ้าเมื่อวานมันรู้จากพระใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรก็ กระลกใรองน้ำมอยู่ในบริหารแฝดเป็นของพระเนี่ยกระกให้กรองน้ำเพราะว่าที่ต้องกรองเนี่ยน้จาการจังหวัดไม่ได้มชน้ำเือมนัยังไม่มีเพราะว่าเพื่อที่กรองน้าไม่ใช่เพราอะไรเพราะประเดี๋ยวในตัวน้ามันมีตัวสัตว์ไม่ใช่เชื้อโรคตัวสัตว์เล็กๆอยู่แล้วถ้ากกินเข้าไปมันก็เป็นบาปเป็น่าสัตว์แต่อนี จะเขขวดทำแต่ขวดน้าเนี่ยค่ะท่านเขาไม่ให้โดนแดดใช่หแดดมันก็จะเป็นตะไคร่นะเป็นตะไคร่แล้วก็พลาสติกมันจะละลายพลาสติกมันจะละลายลงาในน้ที่เรอพลาสติกเนี่ยมันมีโคอนี่อจบกนี้เพสต์ใช่มตนมันโดนแดดไม่ได้นะคะี้ลก เหกนว่ะ ค, น, น, คนมาอยู่ด้วยใครคะคเห็นว่าจะตองคนแจ่มาอยู่ด้วยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ค่ะ อ, อ๋อเย็บแป๋วเย็แป๋วยังไม่มาที่เขารอเพราะแม่เขายังอยู่โรงพยาบาลสงสัยจะได้อ อ, อกเพาไม่รู้แม่ น, นก้นะจะรอแล้วเดิงไให้สยจะไม่ได้ออกแล้มค์นี่ไอตรวลูกก็ต้องไปดแล่อ่สไม่ได้ออก ถ้าออกก็คงมาอยู่ที่นี่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ถ้าเกว่าเสียอะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเ <c oughs> สะียก็เสียที่เดที่เสียได้เราก็ไม่เสียแต่ที่นี่ยังอยู่โรงพยาบเพื่อสัมัี้ก็อยู่แยกกันท็เสียอนุบาลไปมังงอกริงกันเหมือแต่ว่าเราไปได้ก็ทำ ว, วัดแม่แม่คุ้นอยู่ทั้เก็บก็รกันค่ะค่ะอุตสาห์จะอยู่ เงี้ยไปที่าอยู่อปุนน่อยู่คอยเดินคอยเนเหมือนกันแต่อนน้ไม่ไม่เคยสนิทยองแม่เขาเข้าวัดก็บ่นกันเรื่อยเลยว่านุชเข้าวัดเลิมเคยทีิมจมไม่เข้าวัดตอนนั้นแม่เขายังมชีวิตอยู่บ่นบ่นติมแม่เข้าวัด่แม่บอกว่าเออเนี่ยแม่ก็ดีใจที่เห็นจิมเข้าวัดแล้ว โอาพ่อแม่ครับผมยม <c oughs> ทยมที่จบโทษจากอังกฤษกับผมที่จะต่อต่อเอกผู้ศาสนาจะมากราบพ่อแม่เรื่องเขา้าโครงการพุทธมามกะนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับแต่ว่าน่าจะชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงก็เลยให้ไปเลไปท่าอยู่อีกบ้านหนึ่งครับผม <c oughs> ได้พักผ่อนแต่หน้าตาพัองใะให้เราคนในเวลาพักผ่อนอย่านมอยู่สาัวรดกในอยก็ไม่ได้ขอเละเห็นแ่ละอยู่แต่ท่านที่นี่ที่โนนวันหนึ่งไปหลายที่เห็นลหนูยังเหยแค้นโหหลวงพ่อเก่งมากพเก่งอทางภาาอย่างที่พนดและหนูไม่ไหวไปต้องคำนึงตึงวลมได้ไปปรดคนใช่ไม้ะ เพราอย่างนั้นแหละเราหาทุกยากลำบากถ้าคิดตามคําสอนของพระเจ้านะถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสาวรบพระสาวกบขึ้นมาเปิดเผยแบบเปิดใส่เขาไม่ไปนี่เราปัหามาแล้วเราจะเอาแต่พวกเราคนเดียวกู้คไม่ถูกต้องนี่ใช่เพรา่สอนมาแล้วแต่ใครจะทำเราเราไม่ทอดแท่ไม่ปวดไม่กลัวใครถึงจะขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าจะจับหลวงพ่อขึ้นว่าไม่ให้ญาติโยมจุดธูปจุดเทียนผิดตรงไหน ผูทุจริตกลับไม่จุดทุจริตแย่ดีกว่ากันบางคนบอกถ้าไม่จุดแล้ไม่ได้นั่นแหละเรืงอะไยังหลวงผู้จึงพยายามเอาเด็กมาฝึกหัดที่ว่า100คนคงจะได้สับ10คนอยู่เขาต้องจบเป็นด็อกเตอร์อาจารย์สองคนอย่างน้อยนะเขาเขาเขาพูดศาสนาทางตรงไปบอกจัดโยมลูกศิษย์ลูกหาให้รู้ว่าการ ทำบุญกับการทำทานคุณคนในอย่ญญางการทำทานสำหรับร่างกายการทำบุญสำหรับใจโดยตรง อ, าารอ่านใจไม่ได้ซื้อแก่ใจไม่ได้ซื้อทรัพนยะ์กอใจไม่ได้ซื้อบางคนก็เลยหลงว่าแปลว่าทำบุญทำทานแปลว่าทำบุญได้ถึงได้ของไปทำบุญรำทานทำบุญทำทา น, ทททานจะไปแล้วได้จะ่ทำทานฉันจะเป็นย า, ยาทำร้อยอยูขอเสียายเหี้ยด จริงๆแล้วทานอะไรกทางรักโรกปวดทานไปทานรักสัตว์โวกปวดทานไม่เป็นกบลูกเพราะไม่ทำตามประสงที่เราบว่าไปทำบุญถ้าชิดละเอียดนะแต่บอกโกองตนเองบอกมึงว่าไปทำบุญก็โกหกคู่กับอีกแล้วแยกไปตัดไปทำกายต้องแกกกันออกไปทาบุญก็ทำทางที่ไปนั่งทุู่ลงหายใจเบาๆก็แค่นั่งไม่ได้ไปยุ่งกับพระ ท่านาส่บาแปเลยแล้ววันพักทาไมแต่ฉันก็ไม่ฉันไปนั่งก้องจะนั่นเหปนนั่งล้ฉันไม่ยอมยเราะตอ้องไหมก็ใช่าไปลจัไม่ไร่กันกันบางทีมันจะไม่ดีไล่โยมนี้ประมาิน่ะคนแต่หลวงพ่อจังหวะพอพูดก็พูดน่ะหลวงพ่อก็บอกเลยคจะบอกหลวพ่อจะฉันจะไปนั่งพูดคาเข้าพระก็เงินไม่ลงเล ละมัหนกันจัดลมุนฐานัายังไงนั่งเฝ้าตาเปบ่วกแถวเป็นยงะไม่ระยะของถามเ็ต้องมีบางสิ่งถ้าานเลยถ่ายรูปเดือนตุกวันังคถ่ายรูกแล้วตุกวันถ่ายรูปสี่บ้านหลาคนยืนยืนถือทรับทลุถ่ายรูปคระก็เจอมากเลยว่ายที่ผมไม่ให้ถ่ายแล้ว ถ่ายก็ไม่ยอมรอกเนี่ยิบาทท่านเลยบอกว่าถ่ายรูปสิบบาทใช่ลล เ, เลยร่างไงครับเขาคงไไปได้เขาให้อดี๋ยวไปร้อยต้องถ่ายถ่ายิครั้งุงกนให้ร้อยสิบถ่ายไปเลยไม่จะปคนจะจะใส่บาทอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยอดเงี้ยยังขอแป๊บนึงนะขอถ่ายรูปแล้วเพื่อจะถ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่เป็นทุนแล้วไงมันมันหม ไม่บอข้ามทั้งเลยก็ไม่ฟังนิดเสี่ยงรอบเงี้มนก็ได้แล้วท่านค่ะเพื่นบอกว่าเอาทายพีรอยบาทแล้วก็ยอมนะคะเราหยุดถ่ายไปเลยไม่หยุดหรอกก็ยังที่ถ่ายแลคะที่เขาไปเห็นรู้จักผลงานแล้วก็ว่าเอาหลงปูร้อยก็หนูสบายพันก็มีอย่างนี้ก็มีเขาบอกมีทีหนึ่งห0 0 0นบาทสิคะ่ันไม่หยุดเขาระพงไปทางกฤษนะเรายังข้างรักร้อย เขาสั่งลงชาตรีไปงานตัลูกนี้อังกฤษอ่ะเวลามขอถายลูเาก็เรียกเขาเขาก็เรียกอ่ะเาไม่ได้ียกบตัวเองาเรียกไปวัวัแล้วเขารู้ได้ยังไงสั่งมชาตรีว่าท่านจะตัดลูกนมิตรอ๋อเขาเคยไปสมเด็จหรือไปกับใครคนาะจวาแไป ก็ไปรูดขนม น, นานกปดูนั่นนี่นี่เขาใกล้คิดก็กกกกไล้พูดเรื่องนี้เข้าไปอีกเพราะเขาก็ไปเห็นเขาก็อชอบใจค่ะไม่มีดอกไม้ทุกเทียนเขนาชใจไม่มีดอกไม้ทุบเทียนกเวน้ำผ้าแก้วนนะ้อะไรตอะไรเต็มไปหมดตามหมาดอกไม้ทุกเทียนไม่มีไม่ใช่หรื อ, รอว่าดิาจะให้เชิญทูต ด, ด้วยนะเขาจะให้ทูตจะทูตไปเทียนอ๋อวอบ์กไฟฟ้าถืมนก็แล้วดรกเลยได้เด้ก็เลย พลุงพลังก็ไม่มีนะยัง ไ, ไก็เลยเ ร, ราภรรยาต่านท้าทุณเคยเจอกองก็เลยไม่เห็นกรงการอยู่ที่โคราชเรก็ฝาก ท, ที่นี่ไปด้วยนะเรามีหน้าที่ที่จะได้เวยแผ่ อ, อะไรหลายอย่างหนูขอฝากไว้ได้วยพุทธบริษัทธรรวาชญาติโยมชาวไทยจะพูดรัฐการบาดหน้าก็อยากให้มีมหันฯตกพงงานงทางีนอยาให้มีมหับบกพงงาน งานกับมันตามจะให้มีมรดกตกมันในวัดและก็เน่นหนักที่สุดกับไม้ทุกเทียนก็อยากให้ไปจุดในวัดในว่าที่ี่กรทางพระพุทธศาสนากั บ, บไม้ทุกเทียนคนจะหลงมันไม่โบสถไม่มีฐาไม่สะอ า, า, าดไม่เสียหายเยอะแยะไปแล้วทมมําทําไมแสงเตียนสองตาแสงปัญญาสองใจถ้าจุดทุบจุดเทียนเห็นแต่ไม่ได้ฟันหลวงปู่สืบไปมาจุดทุบุเทียนเอาเขาบอกเขาก็ได้เข้าใจาในในอันนั้นจะกลับอีก็จำไปอีก เรพร้อยังไปใ่เี่ยใช่เ อ, อ้แล้วเอออะไระคุณอะไรที่ฝลังอ่ะแล้วเมียสิงคโปไทยยมาฟัะั่ที่ตัวใหญ่ๆที่เขาประโยชน์าร์ใหญ่ที่บ้านหรือที่ใกัใช่แซมองายนึเอาแฟนของชายมาไมมไครได้สหับแฟนคนรู้จักคนแถวนั้นสิดตัว่แถวนั้น เราติดกับไรัน้วนี้งไปซ้อตามล้านนะตะิติก็กเกดวกเวลาเขาจะนอนแต่ให้เขากาัไวเราาติดรถได้ใช่ไมติดรถอะรล่ะเราจะไปราบไหว้ทำไมล่ะจะไปราบว่าบนรถทไมเพราะลูกท่านมีอแล้วพี่ๆใีห้องนอนไงห้องนอน่านเก็บกันอะไ เล่นไปเล็กน้อยแต่ยกมือใส่หมอน้องปูเคยสอนลูกถีบลูกหนาจะขึ้นรถบของในหลวงก่อนยกมือไว้หน่อยไม่ใช่รถของเราจะไม่เปรถของในหลวงไมได้รถด้ไหไม่มีเงินเงินไปจ่ายสิบบาทเป็นมาสเตอ